เต็มภูมิแล้วไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดเถื่อนเป็นวัดเต็มภูมิแล้วเพราะมันตั้งขึ้นนานแล้วตั้งก่อนพหบวตั้งขึ้นก่อนพหบวแล้วท่านโคศงอนุญาตก็ตเลยให้วิสุงคามเี้มาอันนี้เป็นวิสุงคามเี้มาด้วยว่าสมบูรก็ได้เป็นชล า, าด้วยก็บางท่านก็บอกว่า ทำไมทำรู้ลาแท้เออก็สมบัติของพระสมานพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมบัติของเราดีก็สมบัติของท่านไม่ดีก็สมบัติของท่านไม่สำคัญเราเป็นของตัวในข้างพุทธกาลเมืองสาบสีเขาสร้างหมดสี่ชห้าโกรดกระเป๋าเดียวนะ่ะจะภาษาเอาเราอะไรทุกวันนี่สี่สี่ชันห้าโกรดมันสิบล้านปเป็นเนโกรดเอาสิบไปคูณดูสิ สี่ <c oughs> ิบห้ากระเป๋าเดียวนะกับภาษาเราอะไรเนี่ยสีช่ผ้าโกรดนามวิสาขาอนั น, านาะ์ปินธิกะเศ ร, รษฐีสร้างวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาบถียี่สิบห้าเส้นไกลจากบ้านไกลจากเมืองสาวบถี ยี่สิห้าเส้นอยู่ทางที่มันตกยังใต้สี่ห้าโกดเอาสิบไปคูณดูสิสิบล้านจังเป็นโกดสิบห้าห้าสิบซื้สี่สี่สิบนสี่บ้าสี่ร้อยห้าสิบล้านกระเป๋าเดียวนั่นภาษาเราอะไร <c oughs> แต่เราไม่ได้แผลไได้ขอไม่ได้มีสองเขียวสองขาวมันเป็นมาเอง เรามาอยู่ที่นี่มันสามสิบสี่ปีนี่สาสิบห้าปีนี่แล้วก็มีวัดเดียวเท่านี้นะใครจะกล่าวตัวว่าสร้างก็ตามเถิดทั่วชีวิตของเราก็มีวัดเดียวเท่านี้เราก็ได้สร้างบางท่านก็สั้งร้อยๆวัดแล้วเราก็ไม่ได้่าจะสร้างวัดออกมานี่อยู่ไปเป็นวันๆหรือนอกนั่นเป็นอดีตอนาคตอยู่ไปเป็นวินาทีอีกเสียด้วย เรื่อตรงนั้นเป็นอดีตอนาคตแต่ว่าเจียวัดทางเทิดตะวันต ก, ตกเฉียงเหนือของเมืองสาวับถีที่เรียกว่าบุปารามนางวิสาขาสร้างคนเดียวยีนะ่บเก้าโกรดกัะเป๋าเดีย ว, วนะยี่สบเก้าโกด แต่พวกเราที่อะไรกันจะตายใช่ไหมเราจะไปดูถูกขัง้งพุทธการาว่าแม่พัฒนาพัฒนาทั้งวัตถนิยมทั้งอุดมคติด้วยแต่วัตถุนิยมท่านก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังท่านก็ไม่ให้หรือวเป็นเ้ตายกับวัตถุนิยมที่อยู่ที่อาศัย ปาซาโดปาศาส์ถ้ำเมียงแปลว่างเงื่อเหินกูห้าแปลว่าถ้ำโคนต้นไม้ที่อยู่ขออาศัยของพระปร า, าสาสมงครึ่งบางครึ่งก็มีกรเทสะพวกที่นอนดินชินยาทั้งนั้นเข้ามาในพธิศาสตรน์นะไม่ใช่จะมารู้ร้าอย่างนี้แต่เมื่อต้นโชคโทนมาเหมือนกัน นอนเินเย็นย่ายี่สิบเก้าโกดสิบเก้าเก้าสิบสิบสองยี่สิบเป็นยี่สิบเก้าเป็นสองรอยเก้าสิบล้านใช่ไหมกระเป๋าเดียวนาวิสาขาเนะีกุดาคานป่ามหาวันสองชั้นเอง อพ า, าราลีนางสวนป่าไม้มะม่วงของนายนางวันลิกาที่พระเจ้าพเ ท, ทรงอนุญาตเวรวันณสวนไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารอีกทุกคนทุกขแข่งทรัพย์ใดในใโลกธาตุ ท, าาทั้งเป็นสังหารี่มาทรัพย์กอนอีสังหารี่ม า, าทรัพย์ก่อีเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาตั้งนั้นแหละออไม่พูดอีกก็ริงเอก พระบรมศาสดาเรียกพิกษุสัมเนธอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาแต่ละวันละวันราคาอาหารจะมีกี่ล้านนั่นดูสินัราคาผ้ากีบอลจะมีกี่ล้านแต่ละวันละวันราคาปัจจัยสี่กีวันเป็นเท่านาสนามากกว่าศาสนาอื่นนัศาสนาอื่นจะมาฮัอุบายโจมตีพระพุทธศาสนาในีทางตรงในทางอ้อม มันก็เท่ากับว่ากองทัพน้ามลายบวนขึ้นฟ้าข้องป่าขอ้าขอนไส่ต้นเสานักมวยเอกอก็ลบไม่ทันกำฝุ่นโตลมเดี๋ยวเข้าตาเข้าป่าพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพี่นาฏลงชาวพุทธจะอยู่ได้ดรือ มันพิรุษลงที่ไหนพระพุทธศาสนะนาพิรุษอยู่ลงที่ดวงใจของสัตว์แต่ละบุคคลอาจจะแท้พระพุทธศาสนาคณะไม่ได้พิรุษไปไหน <c oughs> คำสอนใดๆในไทยโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดเทําเป็นโรกาบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นัน่พระพุทธศาสนาเอาไปกินแล้ว ถ้าไมีมยางอาต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปคดหมายคดหมู่คดทักค ด, ดพวกกดกกตั้งไม่อยู่อู๋ของทําไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นนๆๆนนั่ น, น, น, น, นก็พุทธศาสนะเอาไปกินแล้วเพียงสินห้าเท่านั้นแหละโรคแกสงบดีนะการวางแผนไม่มองดูคําสอนว่าพุทธศาสตร์ชนะไปไม่รอดเออผูนะ้ที่ถือไม่มีวุญไม่บาป ก, ก็ไปไม่รอดะ คำสอนเบื้องต้นสอนให้ธรรม า, าเรื่องชีวิตในทางที่ชอบสอนเบื้องกลางก็สอนศีลธรรมไปในตัวสอนเบื้องท้ายสอนให้รีบด่วนให้พ้นทุกข์ในาวัฏฏสงสารนั่นะไม่ให้มาเป็นเปรตอยู่ที่นี่นั่นะคำสอนอะพุทธศาสตร์บนะครบหมดสัทธังสัพยัญนชนะงเกวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจรยังประกาศเสสิ บริบู์ทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะแล้วไม่มีศาสนาใดๆจะเทียมถึงได้ทุกๆทุกสมัยของโลกที่ล่วงไปแล้วที่จะมาในข้างหน้าก็เป็นคำสอนอันเดียวกันไม่ได้ลบล้างพรบกันนะนะผู้ยินดีในะพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วถึงจะมีเพียงเขาโขว่าต้าม ก็มีแต่แก่นมันทุกพุทธศาสนาอะไรเป็นแก่นคือวิมุตต์เป็นแก่นวิมุตต์ของพระสวสดาบันวิมุตต์ของสักทาคารีวิมุตต์าาของพระอนาคามีวิมุตต์ของพระทหารพระทหารมีสัมมาญาณนะวิมุตต์เต็มภูมิแล้วพวกเหล่านั้นเป็นวิมุตต์เป็นเอกเทศศีลสมาธิปัญญาของพระสวสดาบัน ศีลสมาธิปัญญาของพระจักกะทาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระหลานจะเอามาเทียบกันไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาของพระปัจเจ ก, ก็เอามาเทียบกันไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาของพระสมัยพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกันไม่ได้เพ่อมียิ่งยวดกว่ากันพระบรมราชาธิาหาใจเข้าข้างหนึ่งแล้วลูกชาติได้ตั้ง ล, ล้านล้านชาตินั่นใครจะไปทันพระบรมศาชาธิราพระอนุรุทธะ ท่นพระบรมศาสตนาก็ท่านเป็นบางข้างบางข่าวจะไปทันเท่าทันเทียมถึงหมดไม่มีถ้าอย่างนั้น้าวกปกตีตนเสมอพระบรมศาสตร์นาตอนนั้ น, น, นทำเทศอยู่สีเสื้อผ้าพรญษาก็ย่นลงมาเอกนิบาทคือใจเทศสีเสืผ้าพัญญาก็เทศอยู่ที่นั้นบุคคลผู้นั้นอยู่ที่นั้นบุคคลผู้นี้อยู่ที่เอามารวมไว้ไอ้ที่แท้ก็คือศีลสมาธิปัญญาตัวเดียวกันนั่นเอง อภิญญาเทชิตธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาโค้ที่ตะกรรี้ทำสามถูกเกตรประการสติปัฏฐาน 4, สี่ฉะมาปัฏฐานสี่อิน 4, 5, ร 5, ทรีห้าพาราห้าโค้ทชงเกตมรรคมีองแปดกับอภิญญาเทชิตธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันนี่พูดเป็นสามก็ย่นลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาพูดเป็นสองก็กายกับใจพูดเป็นหนึ่งก็ใจ พระสูตรก็คือสูตรของใจสูตรของกายสูตรของวาจาพระเวไนยก็เวินัยของใจกายวาจาพระปรมัตรก็มัดเข้ามาหาที่กายวากายใจตกลองพระสูตรก็ดีพระเวไนยก็ดีพระธรรมพระอภิธรรมก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันคิดกันแต่พูดลึกพูดตื้นพูดเป็นบุคลาทิฐฐานพระสูตรกับพระเวไนยเป็นบุคลาทิฐฐานพระ อาพิธรรมเป็นธรรมาริฐานรวล้วนไม่มีความหมายอันเดียวกันแต่มีความหมายลึกกว่ากันลึกก็ลึกลงที่ใจตื้นก็ทื้นขึ้นมาที่ใจพูดมากก็มากออกมาที่ใจพูดน้อยก็น้อยลงมาหาที่ใจท้อใจเป็นเพรหน้านะศาสนาใจศาสนากายศาสนาวากาพุทธศาสน า, ษ า, ษ า, ษาธรรมศาสน า, ษ า, ษาสังกศาสน า, ษาก็มีความหมายอันเดียวกัน เพราเป็นเชื้อสามเกลียวอยู่แห่งเดียวกันจับที่ไหนก็ถูกหมดเหมือนเราเอากำปั้นตีดินตีที่ไหนก็ถูกธาตุดินเหมือนกันเพราะธาตุดินมันของแข็งขณะคิดเดียวเรามองไปในโลกเราเห็นรอบโลกมดัดเมื่อเห็นอนไรจังชัดก็เห็นรอบโลกมดในด้านปัญญาเน อ, อะเอความรูร้ในวองสังขารเรียกว่าปัญญาเรื่องปัญญาทุระไม่ใช่ เรียวกวิปัสสนาธุระกับปัญญาธุระมีความหมายอันเดียบไม่ใช่สมาธิธุระเนออืไม่ใช่ศีลธุระเนออหรือปัจฉนาธุระธุระแห่งปัญญาผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสมาธิธไม่ได้นัดมีปัญญาเป็นหัวหน้าทุ ก, ท, กทุกขณะขณะสมาธิธก็ต่างก็มีปัญญาเป็นหัวหน้า อุปจาระสมาธิปว่าตก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าอัปนาสมาธิปว่าตก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าอุปจาระสมาธิไปเห็นนิมิตต่างๆสารพัดสารพัดจะเปลี่ยนไปเหาะเหินเดินอากาศแสงสว่างประพัดสอนอะไรต่ออะไรสารพัดหาะเหินเดินอากาศตีลังกาลังแกสารพัดนิมิตนิมิตแปลเครื่องหมายเครื่องหมายมีกี่อย่างมาวลย ไว้หมายไว้ในรูปก็คือรูปนิมิตหมายไว้ในนามก็นํามนิมิตโลกก็ดีนามก็ดีอยู่ใต้อํานาจอนิจังเกิดขึ้นแล้วกัแพรปรวกนระดับไปนัถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกสิมันเห็นอยู่แล้วนรกสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกแดแก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรมามพญาหสขั้นธ์ภมิโลกได้แก่โลกภพภูมิจุฬหสัทสัทขับภูมิภพ ขบบรบวรลุ ป, ปรมสี่ท่านโรคทั้งหลายเหล่านี้รวมลงมาในสังขาโรโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโรคเป็นทุกอย่างยิ่งอ น, นิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิง่งอนัตตาที่เป็นฝ่ายโลกีเห็นพร้อมก็ลงให้ใจเข้าออกด้วยมันจึงชัดถ้าไปเห็นตามปริยัติมันไม่ชัดมันเป็นสุตตามายปปะปัญญาถ้าเห็นตามปริยัติเห็นตามปฏิบัติมันจึงชัด สิ่งไหนเห็นแล้วไม่มาคืนมาสงสัยอีกสิ่งนั้นก็ข้ามทะเลหลงไปเป็นตอนๆนนพระพุทธศาตสตร์ศาสวานีข้ามทะเลหลงทะเลหลงคืออะไรก็คือวิชาตันหาอุปาทานที่เราบัญญัติกันเรปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะว่าถ้าสงสารปัญหามันไม่มาก ถ้าเราปฏิบัติเพื่อรากเพื่อยอศเพื่ออะไรต่ออะไรปัญหามากรุ่งเหยิงถ้าเราปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัตฏสงสารปัญหา ม, มากเพราะสินสมาธิปัญญามารวมตัวเดียวกันฉันทะพอใจ ร, รักไขในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยึด ต, ตะอเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาหมันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แนลชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเดชวิสัยนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนา ป, ป, ปันนจนะปจุบันนันเกโยธมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม่ง่อนง่ายกรนแคลนในตามพุทธศาสนาเดนั่ น, น, นพระพุทธศาสนาสอนทั้งยน่นสอนทั้งขยายแปมือีพระธรรมขันเรียกว่าขยายออกเอกะเนียบะแปลว่าย่นเข้าห้ามูลเดิมคือจิตใจนัน่ถ้าปะทุกย่นลงมาหาเอกะทุก สภาวะอนิจจังย่นลงมาให้เอกนอนิจจังสภาวะอนัตตาย่นลงมาให้เอกนอนัตตาในปัจจุบันเมื่อเห็นปัจจุบันชัดในตอ น, นไหนแล้วอดีตอนาคตในตอนนั่นก็ไม่ต้องสงสัยถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครข้ามความหลงของตนได้นับเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเรียกว่าวิปัสสนาธุระคือมีปัญญาธุระ ตัวละในทางปัญญาศีลเป็นเมืองขึ้นของปัญญาสมาธิเป็นเมืองขึ้นของปัญญา น, นัเป็นเมืองขึ้นของนิพิธาเวลาคะวิมุตติสุทธินิาพานอีกด้วยนั่นผู้ใดยังไม่ถึงพระสสดาวันก็เอาซักไม่ได้เอายากถ้าดูจากวิธีเอาระไม่เอายากมีศีลหน้า บ, บริบูรณ์ไม่ใช่ได้อยากล่วงและเมิอศีลหน้า ไม่เสียดายอยากเล่นบรบายมุกไม่เสียดายอยากสาบแช่งท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถือเวทมนตร์ละคาถาไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็น เ, เนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหาร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 ภูมิโลกุตระเบื้องต้นเน อ, อถ้าข้ามโลกุตระเบื้องต้นแล้วนะไม่หวังแนละ้วต้องเข้าภูมิพุทธโลกุตระเบื้องต้นเสียก่อนสุปฏัพโนเสียก่อนอุจโยยายักสามีหากจะค่อยเปิดประตูไปเองคือประตูใจประตูทางปัญญาถ้ายังถือศาสตาอื่นอยู่ ไม่ใช่ยังมาถึงสุภจร ป, ป น, นุจะเดินจงกรมนั่งภาวนาเจ็ดวันเจคืนตลอดรุ่งก็ตามถ้าคิดใจยังอยากละเมิดเส้นห้าอยู่ก็ไม่ใช่พระสวัสดบิบาลเน้อถ้าเสียดายอยากเล่นอวัยยมุกอยู่ก็ไม่ใช่พระสวสดาบันเน้อถ้าเสียดายอยากถือรักที่อื่นศาสตดาอื่นก็ไม่ถึงพระสวสดาบาลเน้อมันต้องบันไดขั้นต้นแหละพระสสดาบาล สมาธิของปัสสาวะวันสมาธิของสัทาคามีสมาธิของพระาราคามีสมาธิของพระาราหารันสุญญะตสมาธิ อ, อนิมิตสมาธิอัภินิหิตตสมาธิสมาธิของภาลหาันเพราะท่านท่านมายึดมั่นในกองน้ำรูปท่านมายึดมั่นในรูปในอะไรต่ออะไรท่านถอนอุปทานไปในตัวแล้วทีนี้ท่านพูดได้จะว่าอะไรก็ว่าซะ พูดคนเดียวมันเบื่อหูคนเดียวเบื่อหูแบบให้เพื่อนพูดว่าพูดมากเดี๋ยวพวกซ่านี่เดี๋ยวเดีเอานี่ไปให้ถามเนี่ยรบลบปูหูไม่ค่อยนี่ยินเนอเอาเนี้ยไปให้ถามปะฮะ ข อ, อเป็นถามหน่อยนะเจ้าคะว่าเวลานั่งเราจิตเราส ง, งบเราไม่ได้ยินเสียงนิรันดร์ลามากุณนกลัวเราจิตเราไม่ส ง, งบต้องภาวนาสัมพุสโทนนี่เพราะอะไรเลยเจ้าคะถึงจะสงบไม่ได้ยินเสียงเหมือนเดิมได้เลยเจ้าค่ะเราไม่สันดดษในกรรมฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยวกว้านั่นคว่านี่ไม่ได้คว้านะเจ้าคะแต่ท ร, ราไม่กลัวแล้ว่าจิตเราไม่ส ง, งบกับกระแสขยย้างในเลยเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เราจเจริญก็มาถา ม, ม่ถูกกับจริตถ้า<ช>จริตของเราถ้าจริตของเราหนักไปทางราคะมันก็ไม่อยู่เนอะถ้าจิตของเราหนักไปทางโทสะมันก็ไม่อยู่ผู้หนักไปทางโทสะก็ต้องบริกรรมเมตตาตัวนั้นเมตตาคนอื่นเชียก่อนผู้หนักไปทางราคะก็ต้องพิจารณาอัุถะเอากระดูกมาแขวนคอโอ้โอถูกไหถูกเจ้าค่ะแต่เรายาทุกชนิดกัน ยาทุกชนิดมันถูกอยู่แต่ว่าเมื่อเราจับไข่แล้วเราเอาไปยาเอายาโรคหัวใจมากินมันก็ไม่ถูกยาทุกชนิดมันต้องถูกแต่ว่าระวางยาไม่ถูกถ้าบรมศาสตร า, ศ า, ศาสอนไว้มีขวดมีจาน้าซองอยู่ในขวดในห่อแล้วมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกเอามาใช้เท่านั้นถ้าเรานักในโทรสะรแล้วจะไปบริกรรมพุดโทรพูดโทมันก็พุดโทแต่ปากนั่นเอง พาไม่เห็นโทษในโทสตะถ้าเรามีราคะเราก็จะไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธมันก็ไม่อยู่เหมือนกันผู้บริกรรมพุโทโธมันอยู่ก็เพราะอสัท ธ, ธาจริตเนี่ยหลวงปู่เป็นศรัท ธ, ธาจริตด้วยเวทตก็จริตด้วยหลวงปู่ต้องเจริญลมให้กายเข้าออกความกับพุโทโธแล้วก็เจริญอนิยังค์ทุกขังอนัตตาความกับพุโทโธด้วยจะไปเห็นอะไรอะไรก็ตามหลวงปู่ไม่ทิ้งกรรมาฐานเดิมถ้าทิ้งกรรมาฐานเดิมมันเป็นโลกมันเป็นว่าวเชือกขาดปลิวไปตามลม เนี่ยก็ไปเห็นอันอื่นก็ไปตะเพือรักเลยนี้่วิญญานทัศนะนี่เกิดจากอะไรเอ่ยคะอะไรก็วิญาณทัศนะอันนี้นะเจ้าค่ะวญาณทัศนะของพระสวสดาวันเป็นวญาณทัศนะชนิดหนึ่งวญาณทัศนะของพระรัาคาลมีเป็นวญาณทัศนะชนิดหนึ่งวญาณทัศนะของพระอนาคามีเป็นวญาณทัศนะอันอื่นญาณทัศ ทัศนของพระอรหันต์ป็นญาทัศนะอันหนึ่งยานทัศนะกับสังโยชนเครื่องผูกใจก็อันเดียวกันเจ้าคะเอาปัญญาจิตญาณทันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะเอาปัญญาจิตญาณทัศน์านี้ละคะอาปัญญาเทวีตาธรมอย่างนั้นหรือหรืออาปัญญาหกอาปัญญาจิตเจ้าค่ะอาปัญญาจิตอืมก็ถูกอยู่เหมือนกันจิตที่มีมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาจิตทีไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าไม่มีปัญญา เราอย่าเย็นเราย่าใสงบเราไม่ได้ยินเสียงแต่เราก็มีความแต่ละอ่านใจคนออกนี่ทําไงเด็กว่าเด็กว่าอะไรเจ้าค่ะเฮ้เราทำไมฟังไม่ไม่ไมด้ความมันพูดดังเกินไปกําลัเจ้าค่ะอย่าไปพูดดังมากขอโทษเจ้าค่ะ เป็ย่งแบบแบบลูกจิตสงบอย่างนี้นะคะแต่ลูกอ่านใจคนออกให้ทํางานก็ค่อยๆก็เรียกว่าอะไรเจ้าค่ะจิตสงบใช่แล้ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วเราแล้วเราเก็ดเรากิดมียานรู้ล่วงหน้าเขาเป็นยังไงเป็นยังไงเขาจะเป็นต่อไปข้างในเป็นยังไงเป็นยังไงเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่สมาธิชั้นที่หนึ่งเรียกว่าอะไรเจ้าค่ะสมาธิชั้นที่หนึ่งเข้าไปแล้วไม่ได้ยินเสียง สมาธิน่ะชนิดนั้นเราก็ต้องปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติเมื่อมันหมดกําลังมันก็ออกมาอยู่เหมือนกันสมาธิแบบหนึ่งเมื่อเข้าไปแล้วก็มีความรู้ต่างๆสารพัฒนอันนั้นก็เป็นอุปจารสมาธิที่สัมพยุด้วยปัญญาด้วยอันนั้นหมดกําลังมันก็ถอนออกมาเหมือนกันสมาธิอันหนึ่งนั้นเข้าไปมีเสียงเห็นเทวบุตรเห็นเทวดาสารพัฒน์อันนั้นหมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกันอเราต้องให้รู้จักเราต้องมีดาบมีดาบดวง สำคัญอยู่เล่มสําคัญอยู่มือมือของเรามือสติมือปัญญาต้องถือดาบด้วยต้องชักลงสูอันนี้จังด้วยเห็นอะไรอย่าไปวิ่งตามมันสิ่งแล้วเนี่ยเกิดขึ้นให้เราเห็นทิ่งแล้วเนี่ยก็จะแปลปวนระดับให้เราเห็นมันต้องปัญญาอย่างนั้นอย่าไปทิ้งรักอันนี้ถ้าทิ้งรักอันนี้เป็นบ้าใหญ่เนอะหรือเชียวคไม่กลัวแต่เจ้าพรหลวงปู่คุมอยู่หลวงปู่คุมอยู่เะอาจารย์คุมอยู่ไม่กลัว อุปสรรคมันเคยผ่านมาเหมือนกันไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ผู้ด่าเราเราต้องการไหมเราไม่ต้องการไม่ผู้ใส่ร่ายปล่ยสีเราเราต้องการไหมเราไม่ต้องการ มีผู้โกรธเราเราต้องการไหมไม่ต้องการมีผู้ยอกย่องเราเราจึงต้องการมีผู้กระทบกระเทือนเราเราไม่ต้องการคนอื่นเขาก็เหมือนกันชัดอื่นเขาก็เหมือนกันเขาต้องการความสุขทุกๆท่านต้องการความสุขด้วยเราก็ต้องการความสุขเขาก็ต้องการความสุขเหตุฉะนั้นเราอย่าทั้งหลายเราอย่าได้มีเวรนิภัยกับท่านผู้ใดเลยเราอย่าไม่ีสัตว์เราอย่าได้มีสัตว์ตัวกับท่านผู้ใดเลยเราก็ดีท่านผู้อื่นก็ดีรวมลงมาเป็นโยนี้สี่คือ คือผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่ในเกิดพุทธเคลือนนั่นเองแล้วก็บริกรรมทั่งแผ่เมตตาเราด้วยทั่งเพจแผ่เมตตาท่านผูอื่นสัมพยุตกันไปในตัวด้วยโยนี้สี่ทุกต้นหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกมาถึงบอร์นิกรรมอยู่อย่างนั้นจนลินพอสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันสุกไม่ถอยมันไม่ถอยหลังเป็นสุขโลภุตระสุขในพระสวสดาวังสุขในพระสกทาคามีสุขในพระอนาคามีสุขในพระทหารเรียกว่าสุขในพุทธธรรมสงฆ์ถ้าสุขในทางโลกีมันถอยหลังสุขในอมิต สุกในพระสวัสดิวันสักกะทาคามีนาคามีมันเป็นสุกม่ถอยหลัางข้าหน้าจนถึงสุกในพระรหันเป็นโล ก, กุตรสุกโลผะเมตตาจนถึงโล ก, กุตระสุขโยนิสีทุกข์ท่านหน้าจําเป็นสุกในพุนทธธรรส ง, งอยู่ทุกเมื่อถึงล็อบปู่เคยเอาไม้ใช่เหมันกันลบปู่ก็อ้ากขี่โมโหเหมือนกันนะ <laughs> สันตุถถสันตุเถสปรมังทะหนัง ความสันโดดเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเราสันโดดในกรรมฐานที่เราตั้งไว้เสียก่อนถึงจะไม่พ้นจากกิเลสถึงจะไม่เจริญกรรมฐานไม่ถูกกับจริตก็ตามแต่มันก็ได้กําลังเหมือนกันเราสันโดดในกรรมฐานที่เราตั้งไว้สําคัญมากเดี๋ยวเราเนื้ออะไรก็คว้าไปเนื้ออะไรก็คว้าไปมันก็มาอยู่ละแบบนั้นแต่ว่าเมื่อสติ ปัญญาของเราแข็งแกร่งแล้วเราจะนึกไปทางไหนเราก็ไม่สงสัยเราเพราะเราเห็นความนึกคิดของเราเกิดดับอยู่นะักอันนี้พวกเดินวิพพานแล้วนีพวกเรายังไม่เดินนิพพานวิปัฒนาวิวัฒน า, ป, าปัญญาเราเอาอะไรเราก็เอากามฐานที่เราทำไว้นเองพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ผู้บริกรรมพุทโธนั้นเกิดดับอยู่เป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาแต่คุณของพุทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหนนะักเราแยกออกแล้วและไม่มีประมาณอีกด้วย ผ่้บริกรรมพุโทโธพุโทโธนั้นเกิดดับไปแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธเกิดเกิดขึ้นอยูอย่างนี้คําบริกรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดดับเป็นเหมือนกันแต่ธรรมทั้งหลายไม่ได้เกิดดับไปไหนไม่ใช่วะเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีอย่างนั้ น, น, ลงลง น, นไม่ใช่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ก่อนในปัจจุบันแล้วเราพิจารณาตามไปจริงเท่านั้นะ ผู้เจริญเมตตายืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกเมตตาได้เพียงนั้นผู้เจริญเมตตาย่อมีมเมตเีสหายย่อมไม่ตายด้วยเชี่ยวด้วยงาโดยใจความก็คือไม่ตายห่วงสิ้นลมปาณเมื่อใดกุปโลกพ ม, มารโอกุปโกโหติก็ไปพมโลกผู้เจริญเมตตา เนี่ฮะวิธีทาก็บริกรรมเมตตาบริกรรมที่หลวงปู่ว่าไม่ใช่โยนีสีทุกท่านหน้าผู้เกิดหรือสิ่งที่มีวิญญาณความสิงทั่วทั้งใจโลกท่าจงเป็นสุขอยู่ทุกว่าเถิด อ, อย่าได้มีเวนในภัยเก่ียกันและกันแล้วก็พูดภาษาไทยเลย ไม่ต้องว่ะสเพสตาพิญตาหุนตูวสเพสตาเวลาหุนตูวสเพสตาพยาประกาหุนตูวสเพสตานิกาหุนตูวสเพสตาทุกทอัตังพเดหารามิสเพสตาสัพพะทุขาประมูลจันตูวสเพสตาลัทธะสุขะสัพพะติโตมังคัสจันตีสเพสตาธรรมะสกามาดาญาตเราไม่รู้จักความหมายเหมือนแก้วเจ้าขายกินข้าวกับกล้วยอ่ะเราไม่รู้จักความหมายมันสู้บริกรรมเป็นคาภาษาไทยไม่ได้ดอกเรารู้จักความหมายดีโยนี้สิ ผู้เกิโดโยนิสีคืออะไรคือผู้เกิดในคันในไข่และเกิดพูดขึ้นแล้ววันโยนิสียผู้เกิโดโยนิสีกับสิ่งที่มีวิญญาณความสิ่งที่ทอดทั้งใจโลกธาตุมีความหมายอันเดียวกันสิ่งที่มีวิญญาณความสิ่งที่ทอดทั้งใจโลกธาตุจงเป็นสุกใน้พุทธธรรมสงศ์อยู่ทุกเมื่อเทินแล้วก็พูดถึงนักกรมคิตกอรใจของเราให้มันอ่อนมันอ่อนเองมันผู้เจริญเมตตาจิตเป็นสมาธิได้ง่ายพระบรมสารีรัตน์มีมิตรมีสหายเวียนไัย เล็กๆน้อยก็หายไปตามไม่ถึงเขาบเรามาศดดาเขาเอาช่างมาจะทำลายท่านท่านก็แผลเมตตาเลยเออวันนี้เขาเอาสุลามอมมอมถือก้าขออมเธอจะมาฆ่าเราสถาพตเธอจะเป็นบาปนะเออเราบอกเรามาศดดาเพ่งเพ่งเมตตาใส่ข้างนารากิลิงตัวนั้นที่พระเจ้าสุภพุทธ จะเอามาฆ่าเพราะบรมศาสตราช่างก็เลยโม่เลยเออเขาเอาสุรามอมเธอวันนี้ถึงเก่าก็อมเธอจะมาฆ่าเราถาคตอืมถาคดแผ่เมตตาถึงเธออยู่อ่ะช่างก็เลยน้าตาไหลเลยนั่นจงชนะความดีของผู้อื่นด้วยความดีของเรา ยงชนะความเบียดเบียนของท่านผูอื่นด้วยความไม่เบียดเบียนของเราจงชนะความโหดร้ายของเราด้วยความไม่โหดร้ายของเราในในรอมเข้ามาหาตัวนย่งชนะความหลงของเราด้วยความไม่ ห, งงงมหงมลงของเราในชนะเข้ามาหาเราว่าว่าไงก่อน ยายโยมพูดใหม่เนนความดีนความดีของเรานะความดีของคุณนี่ความดีของเราชอมความงความดีเช่หมายถึงว่าต้องถามว่ามันต้องเอาความดีนะความดีของตัวเองะถูกเอาความชั่วเอาความดีชนะความชั่วของเราไม่ใช่เรานะความดีของเรา่หมะนะความดี อ่าเข้าใจเข้าใจเขาผูกเาเออพิจนาฐานกายแตกดับแล้ว เป็นดินแล้วเป็นผงดินละลายหายไปกระดินแล้วแล้วถอยขึ้นมาอยู่ที่ปิติสุขเราจะให้ลูกทาไปในระดับไหนอีกคะทําแบบไหนอีกคะว่าผู้รู้เป็นทศวรรษผู้รู้เีนี่ยมันมาคาอยู่ที่ผู้รู้นี่ยเดี๋ยวเราจะไปกําหนัดผู้รู้นี่แล้วก็ชักผู้รู้ลงเป็นอนัตตาใช่ไหมคะเอาเป็นอนัตตาไปใช่ไหมคะถูกเป็นทศวรรษว่ารู้เป็นทศว่าเห็นถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีวันจะถอนอุปทานได้เดี๋ยวจะไปติดอยู่ผู้รู้อีกแะ้วคะ ดีเราก็ไม่ติดชั่วแล้วก็จะไม่หัดไม่ให้ติดอุเบกขาอุเบกขวางเราก็ไม่ติดอุเบกขาถ้าเราไปติดมากก็กลายเป็นอุเบกขวางน ะ, ะนะเพราะมันยังไม่พ้นทุกข์ถ้าอุเบกขาพระรหันต์มันเป็นเรื่องหนึ่งอุเบกขาของพวกเราเรนอุเบกขามันถ้าติดอยู่ที่นั่นมันเป็นอุเบกขวางไปเหมือนกันทำไมเหมือนอุเบกขาพระรหันต์แล้วทําจิตให้ ว, ว่างๆไว้ใช่ไหมคะ เมื่อเรารู้ธรมาเมื่อเราลูบธรรเป็นจริงม like ันว่างเองจิตนะะคเมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลไม่สําคัญตัวว่าเป็นผู้รู้ไม่สําคัญว่าผู้รู้เป็นตัวเรามันว่างเองถ้าเราสําคัญว่าผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้มันก็ไม่ว่าเราจะสมมุติวางรับเพียงไหนมันก็ไม่ว่าคะนถ้าเรารู้ทันมันแล้วมันไม่สมมุติวางมันวางเองมันแค่ครับเราลืมตาเนี่ยถ้าเราลืมแล้วเราไม่สมมุติว่าไล่ความมืดหนีมันหนีเองมันนักมึงหนีซะ กูลืมตาแล้วเราก็ไม่ได้บอกเราก็ไมไ่สมมุติว่าวางมืดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะถ้าเราลูกทันมันมันวางเองมันใช่ค่ะเราไม่ทํากิริยาวางองีกิ่งไหนที่เราทํากิริยาวางอีกมันก็ไม่ถูกนั้นเข้าใจว่าลูกตอนนี้กาลังปฏิบัติไปถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วคพิจารณาพอลูกอีกเหมือนกันค่ะพิจารณาลงสู่ตายรักอนัตตาทําเป็นของรุ่มเลืกเนอ้อทางพุทธศาสนาอนัตตาบาปเป็นฝ่ายละ อนัตตาบุญเป็นฝ่ายเจริญอนัตตาทุกข์กับสมุทยเป็นอนัตตาที่ควรละอนัตตามรักกันในโรดเป็นอนัตตาที่ควรทําให้แก่นะมันไม่เหมือนอัตตามันไม่เหมือนอนิจังทุกขังส่วนอนัตตาลึกแค่เนอะพระพุทธศาสนาเนี่ยรืเต็มทีละแล้วภาวนามีตาแล้ว เราก็ส่าางลงถึงอนัตตาเหมือนกันได้เหมือนกันอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรอนัตตาธรรมที่ไม่มีภัยธาตุที่ไม่มีเวรธาตุที่ไม่มีภัยอนัตตาธาตุที่ไม่มีเวรไม่มีภัยคืออนัตธาตุอนัตตาธาตุมโนธาตุธรรมธาตุธรรมที่ไม่มีเวรอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรอนัตตาธรรมที่ไม่มีภัยเราก็แผ่ลงถึงอนิจจาระอนัตตาได้เหมือนกันก็มาถานแต่ละอย่างเลยอย่าง ลงถึงอนัตตาะไรทางนั้นพิจณากายก็ลงจนถึงอนัตตาพิจาณาเวทนาก็จนลงถึงอนัตตาพิจณาจิตก็ลงถึงอนัตตาพิจนาธรรมก็ลงถึงอนัตตาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นไม่มีที่ปล่อยวางเดี๋ยวสวปะปฏิดอยู่ที่นั้นแหละตายครานั้นก็ไปเกิดพรมโลกนั่นกาบเรียนหลวงปู่นะครับ อ, อ, อยากจะทราบว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะฮะจะรู้ว่าจริตของตัวเองถูกต้องจะรู้ได้แบบไหนครับโอ้อะไรมันพาชักชวนเราก่อน มันโกรธก่อนหรือเรารููจัดเองรู่จัดสันทิษทิโกสันทิษทีโกรู้ทั้งละได้และละไม่ได้คําว่าสันทิษทีโกรู้คลผู้เห็นเองกิเลสของเรามันเกิดอะไรก่อนมากบางท่านก็พอมีพูดมาไม่ถูกหูก็โกรธเลยแต่ว่าพอมองเห็นตัวกันคนหน่าเกียดแล้วอันนั้นโทสะนั่นแต่บางท่านพอมัพอมองเห็นผู้หญิงก็ไปแล้วนี่นั่นคาราคาเกลียดนั่น บางท่านก็เชื่อง่ายใครมาพูดอะไรก็เชื่ออะพูดพระธรรมพระสงฆ์เชื่อง่ายอันนั้นต้องภาวนาพุทโธนะบางท่านใครพูดอะไรเข้าใจถีท่วนดีอันนั้นพุทธจริตอันนั้นจเจริญกรรมฐานอันไหนก็ไม่ไม่คัดข้ออ่าแล้วคนเรานี่จะมีหลายจริตรวมอยู่ในคนเดียวบ้างหรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีจริตเดียวของใครของมัน ที่นี้ราคาจริเเกิดขึ้นมันไม่ได้สมประสงค์มันก็โกรธทนีนี่นัดมันเกิดขึ้นทีหลังอ่โกรธนะหรือมันคัดเคลืองขึ้นทีหลังเลยโทรศัพท์ระเด็ดไม่เมื่อไม่สมประสงมันก็ยิ่งไปใหญ่อีกระนะั้นเหตุฉะนั้นราคาจรนะเด็ะท่านเปรียบเหมือนไฟโทรศัพรนะเด็นั่นเปรียบเหมือนไฟลุกโโปร่งขึ้นและก็ดับง่ายถ้าน้ำพอราคะจริเดดับยากเหตุฉะนั้นท่านจึงเทียบ ไม่ที่ชุมด้วยยางทั้งอยู่ในน้ําไปสีให้เปลียนไฟก็มาก็ก็มกกไม่เกิดไฟน้ําชุมด้วยยางแต่ว่าอยู่บนบกเพราะไม่มีราคะโทสะมา mm. เมื่อราคะมันหายไปโทสะมันก็หายไปเหมือนกันโทสะกับราคะหายพร้อมกันเนอบางท่านบอกว่าราคะของผมหายแล้วแต่โทสะของผมไม่หายเออมาโกหกกันนนั่นราคะกับโทสะหายไปพร้อมกัน ส่วนโมหะพระอนาคามีจึงจะหายหายขาดพระอรหันจึงจะหายขาดพระอนาคามียังอยู่เหมือนกันพระตกัตาคามีเบาไปกว่ากันเรารู้จักเองถ้ารู้จัดเองของเราถ้าเราไม่รู้จัดเองเราก็วางยาไม่ถูกแล้วการเพ่งกระติงกระตินติบนะฮะตัวที่ไม่มีอาจารย์สอนเลยเนี่ยจะมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าครับไม่ไม่เป็นถ้าหากว่า ยึดสุดตรรมยาปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดขึ้นแล้วเปรียวรแลแต่สลายเป็นหลักไว้สิ่งไหนที่เกิดขึ้นไปแล้วเปรียวนแลนแต่สลายสิ่งนั้นเป็นอ น, นิจจ์ทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวแล้วอันนี้เอาไว้ในกระเป๋าของเราแลนะ้วในกระเป๋าใจของเรากระเป๋าสติกระเป๋าปัญญาของเราแลนะ้วเนี่ยปัญญาลับลู่ในกองทหารตามเป็นจริงอย่างไรนี่สำคัญมากแล้วการเพ่งกติณไปนี่ไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติโดยที่ไม่มีอาจารย์ถังสอนใช่ไหมครับไม่ไม่มีอันตราย ก็ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองตลอดไปได้เพราะได้ยินได้ฟังมามากแล้วสุดท้ายวิยปัญญาได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่ไม่ได้ยินได้ฟังมักจะเสียเนอถ้าได้ยินได้ฟังมาบ้างบ้างแล้วไม่เสียถ้ายังไม่ได้ยินได้ฟังมามักจะเสียพราะบางทีไปเห็นในมิตรก็ว่าเข้าใจว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้วก็เห็นเทวบุตรเทวดาก็ไปใหญ่อีกแล้วใครเทศก็ไม่ฟังอีกแล้วนั่นแหละไปเห็นนิมิตไปเห็นเทวบุตรเทวดาไปเห็นนรกสวรรค์เนี่ยเหนเองก็ถือว่าเป็นของ ประเสริฐได้ล่ำถือว่ามันจบเพียงแค่ล่ำแล้พุทธศาสนาไปไอใครประเทศก็าไม่ฟังเองละแล้วที่บอกว่าอุปจารสมาธินะฮะถึงจะพิจารณาวิสัสนายานได้ไหมครับเราจะทราบว่าผู้ปฏิบัตินี่จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเองถึงขั้นอุปจารสมาธิแล้วนะฮะก็ทราบได้สิเราไม่สงสัยโลกโลกทั้งปวงเต็มด้วยอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วเราไม่สงสัยกรรมาฐานใดๆเราก็ไม่สงสัย แม่นิโรธสมาบัติเราก็ไม่สงสัยนิโรธสมาบัติหมดกำลังก็ถอนออกมาเขาอยด่ใต้อำนาจไอ้จังกันละเอียดนั่นเหตุฉะนั้นพระพรมศาสาดาจึงไม่ได้ปรินิพพานในนิโรธสมาบัติเข้าไปเป็นพิธีตามธรรมเนียมของพระองค์เฉยสมาธิช่วงไหนที่ว่าเป็นอุปัชฌะสมาธิพอผู้ปฏิบัติจะได้ทราบว่าอยู่ในขั้นนี้แล้วจะได้ศึกษาวิปัตนายานไปเลย สมาธิอุปจาระจาระแปลว่าไปตามนิมิตนิมิตมันมีอยสองอย่างนิมิตเดิมที่เราตั้งไว้นิมิตแขกที่มาเกยมาพาดนิมิตเดิมที่เราตั้งไว้คือลมหายใจเข้าออกพอดีหรือพุทโธพอดีเรียกว่านิมิตเดิมนิมิตที่มาเกยมาพาดเรียกว่าเราเห็นทีหลังนิมิตทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแปลปวนและแตกสลายทั้งนั้นจิตเป็นอุปจารสมาธิคือไม่หนี้จากรักเดิมเรียกว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิเห็นแสงเดือนแสงดาวแสงอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปลปวนและดับไป เรียกว่าอุปจารลสมาธิอะนนั้นถอัปปนาสมาธิอันนัเข้าไปแล้วมันเงียบเลยมีแต่ผู้รู้อันนปล่อยมันอยู่เช่นก่อนหมดกําลังมันถอนออกมาจึงพิจารณาเออมันมันถอนออกมาจึงพิจนารณาวิปัสสนาอะนนะให้มันอยู่เชียก่อนอย่าไปรบกวนมันคายคําเดียดเวลามันนอนไปรบกวนมันก็ร้องไห้พี่มันหลับก็ปล่อยให้มันหลับอยู่นั่นอย่างนี้แสดงว่าถ้าถ้าเข้าถึงฌานสตินี่ไม่สามารถจะพิจารณาวิปัสสญาณได้ใช่ไหมครับไม่ ต้องรานออมาถึงอุปจารสมาธิอย่างไรถูแต่ว่าแสดงฤทธิ์ได้นาแต่ว่ามีอภินญาทูกเขาแล้วถึงขั้นชานสีนี่สามารถที่จะเห็นโลกสวรรค์ได้เลยใช่ไหมครับเห็นได้รัต น, นาก็เห็นแล้วอุปจารสามาธิเที่ยพิยนาอริจังทุกขังอนาตาก็สามารถเห็นสวรรค์แล้วเห็นได้ในทางปัญญาที่นี้เห็นสวรรค์นั่นมันเห็นด้วยวิธี เห็นด้วยตาเช่นพมกคลาก็ม่เห็นด้วยปัญญามันชัดกว่าเห็นด้วยตานอกเนอเห็นปัญญาสมัญทายจักสุยจักสุรอบคอบปัญญามีกี่อย่างจักปู่ปัญญาปัญญาเคยจักปู้พุทธเจ้าสมัญทายจักสุจักสุลอบคอบเดี๋ยวนี้หลวงปู่ก็เห็นอยู่สวรรค์นรกหลวงปู่ก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี่ใตโลกธาตุหลวงปู่เห็นหมดเดี๋ยวนี่เพราะหลวงปู่เห็นไว้เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชัดแล้วหลวงปู่ก็ไม่สงสัย ที่หลวงปู่เ ห, เห็นนี่หมายถึงว่าเห็นนรกจริงๆหรือว่าเห็นในทางจิตครัเห็นในทางปัญญาสมัญตะกัตถุตะปูรบอบครอบปัญญาตะปูตะปูคือปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นถ้ามาเห็นด้วยปัญญาก็ไม่เสี่ความสงสัยเน้อถ้าแต่ปักคอยเห็นแต่แตาเนื้อมันก็ไม่เสี่งความสงสัยผู้จะเสี่ยงความสงสัยก็เห็นด้วยปัญญาชัดแล้วนี่หลวงปู่สอบภูเขาทะลุอยู่เดี๋ยวนี้เพราะภูเขาอยู่ใต้อํานาจอันนี้จังนัก นกปูนั่งอยู่เดียวนี่ถ้ากามานั่งอยู่ทั่วทั้งไตรโลกธาตุเลยเพราะมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพราะดินเพราะในไตรโลกธาตุมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมที่เป็นรูปธาตุและเป็นนามาธาตุเมื่อเห็นรูปธาตุชัดนามาธาตุชัดเาเรียกว่าเห็นไตรโลกธาตุครบแล้วถ้าอย่างนั้นไมนมีใครพนทุกข์เน้อนัน่ถูกไหมนันปัญญากรสุจักสุ ค, คือปัญญา คนเราถ้าไม่เห็นนรกก็ไม่อยากไปสวรรค์ไม่ไม่อยากไปสู่พระนิพพานด้วในไตรโลกธาตุมันเป็นนรกหมดใช่ไหมนั่นเป็นนรกอละเอียดในไตรโลกธาตุมันก็เป็นสวรรค์อันละเอียดเหมือนกันแล้วมันเกิดขึ้นแปลผลแต่สลายหาาขกครับหลวงปู่คือก่อนปฏิบัติทำก่อนจะปฏิบัติกรรมฐานนี่เป็นเป็นคนพอมีความจําอยู่บ้างฮะ หลังจากฝึกกรรมฐานแล้วในความจําบางอย่างลดลงเนะีครควรจะแก้ไขยังไงครับผมให้แก้ไขมันสิไม่แก้ไขมันรั้วมันลดลงความจําสัญญาอานิจจาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงเราก็นอบลงสู่ไตรลักษณ์สิสัญญาแปลว่าความจําสัญญาอานิจจาสรางขาร า, านิจจาวิญญาณังอนิจจังทิ้งไหนที่มันเป็นของเที่ยงมันมีรูปกฤติเวชนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขานก็ดีวิญ ญ, ญาณก็ดีมัน มันจะลดลงก็ช่างของมันแล้วเอากรรมาฐานอันเดียวะ่ะสติจัมการที่ทำและทำที่พูดแล้วแม่นานได้สัญญามันมันเป็นของมาเที่ยงมันก็ลืมบ้างสินอกจากผู้ที่จะไม่ลืมก็คือพระอรหันตานั่งอ่ะหลวงปู่ครับเออขอถามนี่ฮ ะ, ะธรรมดานี่เวลาคนเรานี่ธรรมดาจิตมันจะ เป็นปันหาตลอดนะคือไม่เกลียดคือไม่ชอบสุขก็เกลียดทุกอยากกระผักออกหรือเป็อย่างก็อยากเอาเข้านะฮะทีนี้เวลาถ้าเรามีสติดตามรู้ทันนี่นะฮะมันก็พอห้ามใจได้คือถึงว่าเราเป็นเวกขาถึงฉันว่าเราสมองกายว่าจา่าแต่ใจเรายังขุนโวอยู่เนี่นะฮะสภาพจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาเปล่าอุเบกขาอุเบกขาถ้าเราติดกว อ, อยู่เกินไปก็เป็นอีกอุเบกขวางเหมือนกัน ถ้าเราสําคัญว่าเราเป็นอุเบกขาอุเบกขาเป็นเราแต่ว่าอุเบกขากลายเป็นสุขพะรุ่ชอบอุเบกขากลายเป็นทุกข์พะรุ่ไม่ชอบแล้วรูยดีอยู่แล้วว่าอาดีตคืออะไรคืออนิจจังทุกขรังอนัตตาที่ร่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคืออ น, นิจจังทุกขั้งอนัตตาที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาที่กำลังเป็นอยู่เราจะเอาไตรักไปพระนิพพานด้วยหรอกหรือไมไ่เอาไปหรอกพิจารณาให้วันเบื่อหนอ่ายคลายหลงของตนนั่นเองนี่ผู้ตอบถูกคำถามไหมละ่ะไม่ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกไม่ถูกกับคาถามนาตอบอ๋ถามอีกถามมาชัดอีกเดี๋่ยจัถามมาอีกถามอันตอนคาที่พูดมาแล้วเมื่อกี้เนี่ย ถ้าในรั <st> ้งนี <piano George> <okay. S 2> ้สามารถบรราได้เก so ิดตลอดเวลาหมรักเวทนาเนี่ยเพราะเราเป็นธรรมชาติท่านมาอันรีิรศาสนาไม่ให้ผลเวทนาเราไม่สาคัญว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาถ้าเราสาคัญว่าเราเป็นเวทนาสาคัญว่าเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามเวทนาไม่ได้นักนี่มันข้ามอยู่วิธีนี้เนี่ยถ้าเราสาคัญเราเป็นผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้ลูกเราก็ข้ามผู้รู้ไม่ได้ เพราะมีอุปทานอยู่ที่นั่งถูอุปทานอันละเอียดเราจะข้ามเวทนาด้วยวิธีไหนเราข้ามเวท น, นาด้วยไม่สำคัญนะเวทนาเป็นเราเวท น, นานี้ก็สัตว์พเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเปลี่ยนเพียงเวทนานุเวทนาธนาณนะัตชกิปัะทฐานสี่มีอยู่แล้วบอกแล้วเนี่ย เราพิจาณาการเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ขภาษกว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาพิจารณาเวสนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวสนานี่ยขภาษกว่าเวสนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวสนานุปัสสนาใจที่เศ้าหมองหรือพร่องแผลเป็นอารมณ์ว่าถ้าเรารู้เท่าสิ่งไหนมันมันวางเองมันถ้าเราไม่รู้เท่าสิ่งไหนมันก็วางไม่ได้เมื่อเราไม่สมมุติมุดเขี่ยเราก็ไม่ต้องสมมุติลบถ้าเราไม่สมมุติว่าเราได้เราก็ไม่ต้องสมมุติว่าาเเรสีย ถ้าเราสมมุติว่าเรามีของเราก็ต้องมีถ้าเราสมมุติว่าผู้อื่นมีของผู้อื่นก็มีแล้วก็ทะเลาะกันท่นันะนะ่นะนะทําท่านสูงเน้อเนี่ยทาช่านสูงนะเหตุนั้นนะเหตุนั้นธรรมระม็าสน า, า, า, า, าจึงยืนยันว่าเรารู้ตามเป็นจริงของสมมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมุติเรารู้ตามเป็นจริงของวิมุตติแต่เราไม่ติดอยู่ในวิมุตติเรารู้ นรพา槃ตามเป็นจริงของพระ涅槃แต่เราไม่ติดอยู่ในพระานเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในสังขารถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารถ้าเราติดอยู่ในวิมุตติก็เรียกว่าเราไม่รู้วิมุตติถ้าเราติดอยู่ในพระานเราจึงก็เราก็เรียกว่าเราไม่รู้พระ涅槃เหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีนับนับนความสําคัญตัวของเราจึงไม่มีในที่ใดทั้งที่ ในแค่นั้นพระอนาคามีท่านจึงสังกโลกยอดเบื้องบนของท่านอย่างคายเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวตัวเสมอเขาเป็นผู้ tidak. สมอเขาทำคัญตัวเรื่กว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาทํากามตัวเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาทาคัาตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาทำคัามตัวเลกว่าเขาผู้เร็วกว่าเขาทำความตัวเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาทำความตัวเร็วกว่าเขาเหตุแคนั้นพระหลักฐานจรงไม่สําคัญตัวในที่ใดๆทั้งสิ้นนั่นนั่นนั่นนพระอนาคามียังไปตกนรกอยู่ที่นั่นท่ามชั้นสูงของพุทธศาสตร์นะเป็นอย่างงั้นอย่างนั้นนะเราทําทําไม ทำเพื่อให้รู้จักสังขารทั้งปวงนั่นเองทีนี้สมาธิทั้งหลายเป็นสังขารไหมเป็นปูญญาวที่สังขารเอเกิดดับเป็นเหมือนกันอ๋อสมาธิทั้งหลายเป็นระงับกิเลสในชั้นกลางสมาธิทั้งหลายไม่ใช่ระงับกิเลสในชั้นสุดท้ายระงับกิเลสในชั้นสุดท้ายก็ปัญญาล้วนๆทีนี่ศีลทั้งหลายสมาธิทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของปัญญามดที่นี่ ปัญญาเป็นหัวจักรคา่ายคำนั่งห้อยน้องข้อมืองบางต่างไร้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆพอได้ลงสู่คำสอนวัตถุ ศ, ศาสตราโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นล่ะอันนี้ก็อันเดียวกันนั่งห้อยน้องข้อมืองบางเป็นเมืองขึ้นของมหาสมุทรทะเลเสียมพิศเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือนั่นชั้นใดก็ดีสิงสมาธิเป็นเมืองขึ้นของปัญญา ผูมีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ไม่รักษาสมาธิไม่ได้แต่ปัญญาแบ่งออกเป็นสองปัญญาในโลกีก็มีปัญญาในโลกุตรละก็มีปัญญาในโลกุตระศีลสมาธิปัญญาในโลกุตรละหมาแต่พระสวสดาบวันเป็นต้นไปศีลสมาธิปัญญาในทางต่ํากว่านั้นลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาของโลกีพวกขีคงชีเปื่อยเขานั่งเขาเขาเาวนาเขากำมืออย่างนี้ทะลุเนอเนี่ทะลุเลยนี่นี่ พวกเี่พวกีงชีเ้เพื่อยถ้าลุกเลยจับเป็นโลกีเหมือนกันจัเป็นโลกีเพราะเหตุใดจึงจับเป็นเพราะเขาไม่ยอมถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์นั่นเอาพระโมกคันลาสาธิบุลยอมตัวมาถึงพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงสำเร็จพระสวดารันนั่นยอมตัวมาเลื่อมสายพระอาตชิตใช่ไหม แล้วจึงสําเร็จพระอหันต์จึงสำเร็จพระสวสดาบาลนอกอาลาอาดาบทอุตกระดาบทรามาบรยังไม่ยอมตัวถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เหตุเช่นนั้นจึงเป็นโลคีสมาธิแปดหมืนสี่สี่พันกับของพวกอันตายไปแล้วสเสวยแปดหมืนสี่พันกับหมดอายุไขแล้วก็จะได้มาเป็นสัตนติรรชานสารพัสนะนั้นเป็นโลคีนักนักนักหนัก ผู้เห็นโทษในศินห้าก็ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้าเพราะเขามีปัญญาแลว้วมีปัญญาในขั้นต้นเป็นโลกุตระปัญญาแลว้วเห็นโทษในอวัยมุกก็ไม่เสียดายอยากล่วงละมัยยมุกยมุกสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอยากล่วงสิ่งนั้นมันก็ไม่ลําบากใจนะักที่มันลําบากใจอยู่ก็เพราะมันเสียดายอยากล่วงนันะันะนะัคข้คาข้ากำลังบวนทำาร ออกจากฝากของเราไม่ใช่ได้อย่าเอาคืนมาอีกเราจะระวังทำไมนักนักนักนักถ้าเราเห็นว่ามันเป็นคุณอยู่ว่างเราก็วางมันไม่ได้เนอะแล้วก็วางท่าก็สำคัญว่าตนเป็นพ่อโสดาบันแต่ว่าอบายมุกยังไม่ละหลวงปู่ก็ให้ว่าโสดันโสเดานะโสฆาคกรณี เดี่ยเยๆแล้วไปแย่งเราไปแย่งพวกผู้หญิงมาเนี่ยพวกผู้หญิงเขาไม่ไ ม, มีโอกาสถามมันเดี๋ยวเขาไม่โกรธหรือฮะคนคนหมอคุปตะมาแน่ น, <c oughs> นะน่ะมันไม่หายทาอยู่มันก็ไม่หายแรกเริ่มมันจะเป็น แรกเมันจะเป็นก็เอาถุงยางทุงอย่างที่ถุงน้าร้อนถุงกระติกผ้าระติกน้ร้อนนะเอาบัประกบนี่แต่นั่นมาคันเลยไม่หายแต่นั่ค น, นเชื่อราเขาไม่ทราบแต่นั่นมาได้สี่ปีแล้วไม่หายที่หลังมงาากรรตัวคไ ด, คได้เลือกข้างหลังซะเลือกข้างหลังเอา้าเป็นทั้งโรงพยาบาลเอา้า โรงพยาบาลจิตใจคือภาวนาโรงพยาบาลกายคือคุณหมอเลือกข้างหลังเลือกข้างหลัง ถ, ถ้าจากนั้นก็เอ้าผมจะผ้าเนีเอาแล้วนะเอออย่าไปถือคนแก่กดแก่มันเออเออนั่งๆเห็นไหมเป็นปนผืนกันขึ้นเห็นไหม ทายョทุกชนิดทายเหมือนกันอ๋อมันไม่คืนแพ์ธรรมดาเพื่อนเพื่อนเพื่อนแพ้พพพธรรมดานะอาจจะมีเงินอมีมอะไรพอไม่ไหวเืนข้นได้ประจำไม่ใช่โรค ก, กุดถังเหรอไม่ครับ <c oughs> ไม่ ก็คงแขงแรงดีครับหลงสุแปดิปแล้วเนี่ยแปดชิปแล้วอ<ะ>อแฮะคงหมอบาคนแปดสิแปดิคงแค่นี้ครับอืมแปดชิปแล้วแปดิปแล้ววันที่สิบเก้าคุมภาพันธ์สองพันสี่สองพันห้ารอยสามิบห้าเนี่ยมันจะครบแปดชิเต็มเกิดเกิดสอ5 4ันสี่ร้อยห้าสิบสี่ วันที่19บก้าุมภาพันธ์2อ5 4สีห้าสิบสี่ถ้านับปีถ้ามานับเดือนมันก็แปดสิบเอย่างแต่าถ้านับเป็นวันวันมามันก็ยังอิดวันที่19เก้าุมภาพันธ์ยังอิดยังอ่น ย, ยังไม่เต็มลูกปูสบายดีก็มึงขอกลับกลับครับไปเป็นทุกเนะ้อยกลับไป จบวัรจบู้โถทโมทะโกลูกลูกหลานลูกลูกหลานของพระธรรมาสมุทัเก้าผู้โถทะโมทะโกผู้ทำสงนิพานผู้ทำสงนิพานผู้แท้ทำแทสงแทไปรวมเทียวเทีพระนิพานผู้ทำสงเบืงต้นสมุทัยปานุผู้ทำสงทุตฆาเปือพระหลานได้ไปรวมเิีวกันที่พระนิพาน าศาสน า, อ, าอื่นไม่ได้เดินทงเถจะไปรวมคิวกันที่พระเนรพาลถ้าอย่างนั้นก็ไม่แล้วจะมารวมคิวกันในาศาสนาพุทธด้วยถ้าไม่เลื่อมใสศาสนาพุทธก่อนแล้วอย่าหวังเลยจะได้คุปฏิปันโนนะัาศาสน า, อ, าอื่นมีดาเดินทงเถถ้าไม่เลื่อมใสาาพุทธศาสนาแล้วอย่าหวังเลยจะได้คุปฏิปันโนไม่ได้หรอกเช่นพระมกขลาสารีบุตร เก่งเหมือนกันอยู่สนชัยนาฏบุตรก็มาเรื่องใสพระอัชชิเสียก่อนเรื่มใสพระพุทธธรรมเสียก่อนจึงสําเร็จสุปฏิปันโนโอันาดาบทอุสกัดาบทรามาบทภาวนาจนถึงลูประชานสี่ลูประชานสี่แล้วจนถึงเนวัชัญญานาะสัญญายาตระเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่บริกรรมอยู่ไม่มีการันต์ก็คือตายคานั่นเลย แล้วกลับไปเกิดในพม่าโลกที่เป็นลูกเป็นอรูปปฐมมีอายุยืนแปดหมื่สี่พันกัปแปมื่นสี่พันกับจะเป็นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็นับเป็นตังหลายล้านพระองค์นั่นกัปหนึ่งกับหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ว่าสาพระองค์ว่ากลับของเราเนี่เป็นพัฒกลับมี็ห้าพระองค์แปดหมื่สี่พันกัปจะมีพระองค์พระพุทธเจ้ากี่พระองค์นั่ เรายังเป็นโรกีอยู่นั่น น, นัโลคุตระไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ยอมเลือกใช้พุทธศาสนาก่อนเราไม่ไม่ไม่ถึงละนั่นพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาโลคุตระไม่ใช่พุทธศาสนาโล ก, โลกีที่เอาโลกีมาปนเปก็คือเอาคำสอนของศาสนาอื่นมานปนเปพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนายืนยันแก่สุปฏิปนโนเป็นต้นไปตํามคนนั้นลงมามายืนยั น, ยนเป็นโลกีถึงจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็เป็นโลกีถึงจะเดินตรงกลมภาวนาจนเท้าแตกก็ตามอดเข้า อ, อาหารหันจนขุ่มผมขุ่มขนหล่นก็ตามถ้าไม่ยอมถึงว่าคุยพระธรรมประสงฆ์เป็นที่เพื่อแล้วอย่าวังเลยจะถึงสุปฏิปนโนนั่นักงมีเครื่องวัดอยู่อย่างนั้น กายเย็น ว, ายายว่าอายอยู่สเกตัสซาวาอภะโภโสสาตว์ปฏิชาตาอภิปทาทิตติปัสสาบุตตาทำผิดด้วยกายด้วยว่ากาด้วยใจแล้วท่านด้ปกปิดความชั่อของท่านว้คือพระสุภัจปโนุกชาจาพิฐานานิอภะโภกาตุงมีทำผิสั้างเกสรตรนะวิเดตังเอเตีนสเจนสุวทติวตุนี่สูตรนี่เป็นสูตรพระพะสดากันพระพสดากันไม่ยอมถือศาสรานอื่น ะชา迦ชา迦แปลว่าชาแปลว่าหกพิษฐานานี้อภิฐานโทษอย่างหลักหกมาตุฆาฆามนาวิโตฆาฆาบวดานะครับตะฆาฆาพระรหัสโลหิตตุาทําลายพุทธเจ้าถึงอยมโลกเหยียบท้ข้อขึ้นไปสังฆเทอย่ังสองขะแตกจากกันอัญญสัตว์ตุทเทศเถรสาตรดาอื่นไม่มในพระสวสดิบาลนั่นพวกเรียนนักคำโทพวกอยู่ในทั้งนักคำโทใช่มไหมนั่นมาหาใช่ไหมนักคำโทใช่ไ่ะ ทไม่ตอบปัญหาจังแทะชอบอ่านหนังสือสุตตมยะปัญญาสุตตมยะปัญญาอ่านหนังสือเป็นการฟังเทศเนอะถูอสุตสุสังละพันเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้อ่านด้วยดีก็ได้ปัญญาเหมือนกันอ่านหนังสือข่าวหนึ่งก็คือฟังเทศข่าวหนึ่งนั่นเอง แรียว่าสุดตามายาปัญญาแล้วไปจินตามายาปัญญาไปพิจารณาเอกกทั่งภาวนามายปัญญากลมเกืนกันเป็นเชือกสามเกลียวจะเว้นการฟังไม่ได้เช่นพระปเจกอย่างนี้ก็เว้นการฟังไม่ได้พระปเจกก็ได้ยินเขาตำข้าวเขาร้องว่าเวลาเช้าดอกไม่บานเวลาเย็นดอกไม่เหี่ยวเขาร้องเพลงตำข้าวพวกกระเดื่อง พระปเจกได้ยินท่านก็น้อมลงมาสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็เป็นพระปเจกไปเลยเหอะไปเลยนั่นขาดการฟังไว้ได้เหมือนกันขันติขันติปรมังขันติขันติมันมีสามท่านขันติขันติปรมีสัมงปัญโนขันติตามทําอดทนตามธรรมะขันติอุปาปรมีสัมงปันโหนอดทนเหนือไปกว่านั้น ขันติปรมัตถะปารเมีทัมปโนจะเสียชีพเสียชีวิตด้วยการอดทนก็จะยอมเสีย น, นั่นเรียกว่าป ร, ปรมัตถะนะแต่หลวงปู่มีสัจจ ะ, ะปารเมีทรัมย์ปโนมีอาชานปารเมีทัมปโนโซเป็นสซตายเลยคือหลวงปู่สมาทานไม่ผ่าไม่ตักในโรงพยาบาลและสมาทานไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตก็จะยอม เรตั้งสัจจะไว้เหมือนกันเรียกว่าสัจจะปรมัตถ์ารมีสัมปันโนอธิฐานปารมีสัมปันโนหลวงปู่ตั้งสัไว้แล้วหลายหลายปีแล้วไม่ไปนอนข้างเกินในโรงพยาบาลแต่ยอมไปสรวจโรคอยู่แต่ก่อนพระแยาสมาทานจะไม่ไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวเขารู้ลูกหลานเขาบอกว่าถ้ามาไปโรงพยาบาลพวกลูกก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรอะไรนั้นเพราะไม่รู้จัก ถ้โรงพยาบาลเพื่อก่อนแต่าบางทีคุณหมอเขามาัอยากให้เห็นเราก็จะรอบดูออกว่าเขาเอายาอะไรใช่ว่าไงเงี้ก <laughs> <laughs> <laughs> หมดทนถาวรพราะูรังหลานแบ่ให้พวกรูกหลานซินเข้าม า, อาเออถ้าอย่างนั้นก็แบ่งกันแล้วกูจะยอมไปอยู่แต่ไม่ยอมนอนข้างเคืองในโรงพยาบาลแล้วกูไม่รังเกียจโรงพยาบาลหรอกแต่ว่าหลวปู่รังเกียร์พยาาเพศของตนไม่เป็นหน้าที่จะไปจิตขวางโรงพยาบาลนะฮะควังกูว่าอาการยกแต่เข้าสะกำหมอนไว้ ท่านไปที่ไหนท่านทําประโยชน์ให้เขาเราไปที่ไหนก็นหนักที่นั้นเราต้องรู้จักประมาณตัวเราพูดอย่างนี้โดยเฉพาะเราเราไปยกให้ซักดูว่าอาจารย์เช่นหลวงปู่มหาบัวท่านไปแต่ละครัง้งท่านทำประโยชน์ให้ชาวกรุงเทพมากเนอองค์อื่นๆก็มันการหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหรืออะไรแต่เราไปที่ไหนมันนักที่นั้นเราก็สะมาทานซักให้รู้จักประมาณตัวซักเราอยู่ พูดทั้งโลกแล้วก็นอามาเป็นธรรมจิตใจใครอยู่ระดับใดธรรมะแต่ละวัระบาดส่งต่อพระนิพพานหมดแต่จิตใจท่านผู้ใดยอยู่ในระดับใดก็เอามาเทียบในระดับนั้นเช่นพระบรมชาติดาเทศคีพีคณะอักเวทสนะโคตอยู่ที่ครำอยู่ที่ถ้ำสุคราตา รูปเวทนาสัญญาสังขาเย็นยาเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายเหมือนหัวฝีแตกสลายไปเธออยายินดีทีคณะอาคิเวทธนาโธตฟังก็ถึงไตธนาคมธนส่วนพระสารีบุตรทำงานพัดอยู่ข้างหลังแล้วเอาพระอาหารไปกินแล้วนั่น <laughs> <laughs> กันเทศแต่ละอย่างละอย่างส่งต่อพระนพานหมดณโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระนพ涅นณโมพระสดารวันณโมพระสกทาคามีณโมพระอนาคามีณโมพระอรหันต์ณโมแปลว่าน้อมน้แต่ว่าน้อมนอมต่างกันน้อมนอมละเอียดกว่ากันพระอรหันต์เรียนจบณโมแล้วพระน้อมนอมจนแม่มาเกิดแก่เก็บตายพุทธทางศาสนาคัจฉามัก็เหมือนกันพุทธทางไตรสนาคมพระสวดารวันไตรสนาคมพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ พันธุ์หันเรียนไตชนะคมจบแล้วคมจนแม่มาเกิดแก่แกบตายแปรทับทรัพย์อย่างนี้ก่อนพี่ยันนาอยังทุกขังอนันตาได้เหมือนกันเขามันเกิดแปรปวนไปแล้วนะคําพูดแต่ละอย่างละอย่างมันก็เป็นตัวอริยังท่านนั่นแหละมันล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกไวแล้วก็พูดไปล่วงไปล่งไปเหมือนลมพัดอารมณ์กับลมพัดภายนอกอันเดียวกันนั่นแหละเออนั่นคําพูดแต่ละอย่างละอย่างเป็นวัจจีสังขารเกิดดับเป็นเหมือนกัน จิตที่นึกคิดก็เป็นจิตฐานสังขารเกิดดับเป็นเหมือนกันนั่นนั่นนั่นนั่นสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นจะดับในอนาคตนั่งขารใดจะเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นจะดับในปัจจุบันเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเน้อพระบรมศาสดาเนสังวามาเนสโธหะมัตสเมนะเมสโธอัตตาติสิ่งเหล่นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเน้อรู้ตามเป็นจริงสักไม่ใช่จะไปแต่งมันรู้ตามเป็นจริงของมันเท่านั้น ขอใหรู้ว่าตเป็นจริงไม่ใช่ประแตงแต่ให้มันเกิดก็แต่งมาหน่แต่ให้มันดับมันก็แต่มาหน่อแต่รู้ว่าตาเป็นจริงของมันไม่มีใครจะประแตงให้มันเกิดมันดับไม่มีใครจะประแตงให้มันแปรปรวนแล้วดับไปมันเกิดขึ้นเองมันดับเองมันมีอิสระอยู่โรคมันมีอิสระอยู่แต่เกิดขึ้นแปรปรวนแล้วแต่สลายขนาดนั้นดินก็มีอิสระเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแตกสลายดินก็แตกไปเป็นดินน้ำไปแตกไปเป็นน้ําไฟแตกเป็นไฟลมไปแตกเป็นโรภบาปก็ไปหาบาปบุญก็ไปหาบุญที่ไม่มีกิเลสก็ไปหาพระ ในไตโลกาธาเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเนอะนะคําสอนใดๆในไตโลกาธาเป็นเมืองขึ้นของคำสอนของพุทธศาสนาหมดสมบัติใดๆในไตโลกาธาเป็นเมืองขึ้นสมบัติของพระนิพพานหมดนั่นมันขึ้นอยู่ในตัวมันหนึ่งดูดอยู่ในตัวเหมือนเคล็ดทิศเหมือน ทิศเหนือดึงเข็มป์ทิศมันน้ำห้อยน้องของมือบา ง, งตา่างไหลลงสู่มหาสมุทรทเลมหาสมุเทรทเลเป็นเครื่องดึงดูดนั่นกันน้ำห้อยน้องของมือบา ง, งตา่างก็ไม่ได้พูดว่าเราเป็นชี้ค่าไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลมันก็ไม่พูดเลยทะเลก็ไม่กระตือรือร้นว่าน้ำทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของเราทิศเหนือก็เหมือนกันเข็มป์ทิศเหมือนกันนั่นความจริงตอนนี้ควจริงอยู่ไม่มีตะวันขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้อ๋อนั่งถูกไหม ดอกวอดสีเราก็มีอยู่ทุกการไม่มีแต่ข้างพุทธกาลเนอดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอนม้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกใต้หน้ามก็ใ ต, ต้หน้ามเต็มภูมิมีอยู่ทุกการนับ น, น, นับางท่านบอกว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วเราโงก็จะตายไปให้คนอื่นโง่ด้วยมันก็ไม่ถูกมรรคผลนิพพานหมดแล้วเราคนตาบอดทํำไมจะไปรู้จักมรรคผลนิพพานเราอยากเห็นพระอรหันต์ก็ต้องไปพระอรหันต์เสียก่อน เราอยากเขียนพระสวดบาลก็เ็นพระสวดบาลเสีย ก, ก่อนเราอยากเขียนพระรา ค, า ม, า, า, คามีก็เป็นพระนาคามีเสียก่อนโนกุธาหรนเรื่องมันเข็มขนาดไหนพระจักร้าลักษณะของเข็มมันเป็นยังไงพระจักร้าเออเธอจีบดูสิจีบดูแล้วรเข็มเป็นยังไงไม่ตอบดอกครับ <c oughs> อันเดียวกั น, <c oughs> นะน ท, ทิ้งทิ้งโกในทางพุทธศาสตร์หาหมายเอาพระส ว, วัสดิบาลนั้นต้นไป ถ้าหมายเอาต่ากว่านั้นเรามามันก็ฟั่นเฟือมากเนอะเช่นพวกเขาไม่เรื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็รู้จักเขาอยู่ว่าเขาไม่เรื่อมใสใช่ไหมนั่นแต่จัดเป็นสรรทิศที่โกมันก็ฟั่นเฟือเกินไปเช่นพวกพุติยรททิตรักศกยกหอทําทุติยริยางนี้เขาก็รู้ตัวเขาอยู่แต่เขาเ ป, ปฏษษษษษิเสธแต่เขาเ ป, ปฏษษิเสธเขาเ ป, ปฏษษิเสธเขาก็รู้ตัวเขาเ ป, ปฏิเสธอยู่นั่นสรรทิศที่โกทั้งนั้นละนั่น แต่ไม่นเน่หมายหมายเอาสุปฏิปนโนเป็นต้นไปคําว่าอาการิโกะก็หมายเอาสุปฏิปนโนถ้าหมายมาต่าต่กว่านั้นฟันเือมากยุ่งหยืงปัญหานักรมก็ชอบพูดกันว่าอศีลตัวนั้นเป็นโลคีศีลตัวนั้นเป็นโลกุตระในทางพุทธศาสานาก็มีแต่โลกุตระเท่านั้นเราไม่ใช่มีโลคีหรอกแต่เราเอาโลคีมาปนเปยกันเอาผ้า พ, พ่อตากับผ้าลูกเขยมา เอาเตียงพ่อตาเอาพ่อตากับลูกเขยมานั่งร่วมเตียงเดียวกันหนึ่งพวกเราอย่าไปเอาศาสนาอื่นมาชกมวยกับพระพุทธศาสานาขึ้นสเตปมันไม่ถูกศาสนาอันดีศาสนานี้ดีอศาสนาพุทธไปดีก็ค่ายเขาเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปขึ้นสเตปชกกับศาสนาอื่นๆมันบาปอย่าพากันไปพูดเนอ้อ เราไม่สงสัยถ้าเราไม่สงสัยว่าศา ส, สนาอื่นจะเหนือพระพุทธศาสนาไปเราจะไปสงสัยทำไมเราจะปฏิบัติยากทำไมที่เราปฏิบัติยากอ ย, กอยู่ก็เพราะว่าเราเข้าใจว่าลัทธิอื่นๆจะดีกว่าพระพุทธศาสนานิจใจของเราก็เขวเท่า น, นั้นนี่เมื่อเราทราบทัชว่าเมืองเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาหมด อ, อย่างนี้เราก็ปฏิบัติไม่ยากเน้อนั่นนันนั่น น, น, น, นัถ้าหากว่าเราสงสัยว่าคำสอนพุทธศาสนาบกพร่อง เราก็สงสัยลังเลพระพุทธศาสนานนอนีววารรากนั่นแหะตัววิสีกิจขาสีรพตปนามาตนะตัวนั่นแหละอัตตวาทุปาทานเพราถือตอนถือตัวไม่ยอมเคารพนับถือพุทธศา ส, สนาก็คืออัตตวาตุปาทานในขั้นห ย, ยาอัตตวาตุปาทานของปัตสดารามัญญาบอัตตวาทุปาทานของพรอนาธามีละเอียดของพระหัชไม่มีเลยนัน สังโยชน์เป็นเครื่องผูกใจสัตว์นะคือกิเลสนะเราไม่สงสัยว่าพุทธศาสนาเราสบายเราไปเรือกว่าบางท่านบวชมาจนพรรษาตั้งหมืน่นทั้งแสนเนี่ยเราไปหาพระเล็กไหลว่าอย่างนั้นโอ้เราเห็นอยู่พระเล็กไหลก็คือรถไฟนั่นเองเราว่าอย่างนั้นถ้าเล็กบินเราก็เห็นก็คือเครื่องบินนะแล้วเราไม่เชื่อนะ บางท่านอนะ่ะบวดมาภาวนาเก่งเหมือนกันแต่ว่าหาอุบายบอกเลขเขาเลขออกเจกอนั้นเลขออกเจอนีน้ฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้เออแต่พระสสดาวันเราก็มาให้คะแนนก็สู้เขารักษาสิ้นห้าไม่ได้สู้เป็นอย่างนั้นนะเราไม่ลงคนง่ายๆแล้วทิศทีเก่งนิดเด้ยวเกินเนี่ยลบปูเป่เลยต้อปู่ที่ิศีเก่งน้ดเกินะทิศที่ในใเรากระทัด ทีนี้คนหนึ่งเหมือนกันบวชมาไม่เห็นกันหลายปีแล้วพึ่งมาพบกันในระหว่างพันศาสิบแปดปีหลวงปู่คงมาอนิพานเนี่ยนะหลายปีแล้วครูบาครูบาครูบาครูบาพ้นาการกิเลสแล้วหรื อ, อยังผมพ้นแล้วผมพ้นแล้วนะครับแกพูดเออผมยังไม่พ้นหนอก พอกิเลสในใตลงกระท่ามันไม่มากถ้าผมมาอยู่กับผมหมดผมพ้นแล้วครับผมพ้นแล้วเออท่านพน้นท่านต้องอธิบายให้ผมฟังสิเี่ตในเวลานั้นท่านในการจวนก็นั่งหัวเราะอยู่นี่นั่งฟังอยู่จั น, จนตนรวุลเชเตรโทลอดีตผมเบื่อแล้วครับอนาคตผมก็เบื่อแล้วครับผมอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ผมก็อยู่นปัจจุบันนะครับ mm hmm. ผมจะมาดีแล้วเกินผมอยู่ปัจจุบันอนดีตผมเบื่อมันอนาคตผมก็เบื่อมันแล้วผมประกาบเรียนลงปู ข, ขาวองท่านเขาให้คะแนนอยู่ mm hmm. ผมก็ให้คะแนนท่านอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผมไม่ให้คะแนนเน้อ <c oughs> ท่านท่านเดินมัตรถูกแล้วท่านรวมศีลสมาธิปัญญามาอยู่ในปัจจุบันถูกแล้วแต่ท่านยังไม่ท่านพ้นเนอ้อ ท่านยังหาเหลี่ยมจะพ้นอยู่เพราะท่านอาศัยปัจจุบันเป็นตัวศินสมาธิปัญญากรมกกืนกันผมให้คะแนนอยู่ท่านเดินมักถูกแล้วแต่ท่านยังไม่ได้พ้นเ อ, าอ้าผมจะยกวิทาหอให้ท่านฟังแต่ผมยังไม่พ้นหรอกแต่ผมอธิบายได้ลาตัวเดียวลาตัวเดียวนี่เองอดีตคือทางหางองนาคตคือทางหัวและปัจจุบันคือตรงกรงของมันมันอร่อย นี่ท่านมากินตัวตรงพงมันเนี่ยเมื่อท่านมากินตรงพงปลาตัวนี้แนละ้วท่านจ ะ, ะกลาดใจงงว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นผมก็มายอมรับอเด็นคือปัญหาอนาคตคือตังหัวมั น, า น, า น, มนปัจจุบันคือตรงพงของมันเนี่ยท่านน่ยมันอร่อยที่พงท่านมากินอเลยนี่ท่านจะปฏิเสธว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นผมก็มายอมให้ท่านนะ ถ้ากระกหัวทีนี่น่ากรหัวละสีถ้าอาจารย์ชวนหอ่าเออถ้าอาจารย์อวนถงแล้วอเ้เอ้าผมจะเอาให้ฟังสมรณมาศาสนาลู่อดีตตามเป็นจียงของอดีตลูอนาคตตามเป็นจียงของอนาคตลู่ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ไม่ปิดยู่ในเงินใดทั้งินั่นถ้าพระอหันจะยึดปัจจุบันเป็นเครื่องมืออยู่อย่างนี้นตอรักษาปัจจุบันตัวปัจจุบันจะหายไปพระอรหันต์ก็เป็นคนคุมนักโทษก็ปุมเรียงว่านักโจะหนีไป ก็เป e ็นท <If S 1> ุกตายเหมือนกันพระทหรม่ไม่ไม่ได้ลำบากด้วยอดีตอนาคตปัจจุบันพระทหารไม่ได้รักษาจิตเลยถ้าจไม่มีพระจะรักษาทาไมเราพูดอย่างนี้เิื่อแก้กับเก้าหัวหัวหลอกันอดีตคือผู้รู้ที่ร่วมแล้วอนาคตผู้รู้ที่ยังมาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่นี่นอุปทานของพระหาทั้งหลายไม่ได้ยึดถืออันนี้ รู้หมดรู้อดีตตามจริงของอดีตรู้อนาคตตามจริงของอนาคตรู้ปัจจุบันตามจริงของออนสคตปัจจุบันไม่ได้เอาปัจจุบันในอดีตอนาคตมามป็นงามกันไม่ได้เอาสมมุติและสมมติมาเป็นสงครามกันรู้ตามจริงแล้วก็เลี้ยวขันไปเท่านั้นนะเหตุนัตอุปทานของท่านจึงไม่มี รู้สมาธิตามไม่จริงของสมาธิแต่ไม่ติดอยู่ในสมาธิรู้ศีลตามไม่จริงของศีลแต่ไม่ติดอยู่ในศีลรูปเ ม, มตุสตามไม่จริงของเ ม, มตุสู่นิพพานตามไม่จริงของนิพพานท่านไม่ติดอยู่ในที่ใดทั้งนั้นเมื่อตัวเราไม่มีของเราไม่มีท่านจะมีปัญหาอะไรมากห น, นัมีแต่สัง้งขาแในกองทุกหนักข้างพุติการก็ไปถูกนักเลงดีพระองค์หนึ่งยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ ใครไปแก้งให้ท่านใครไปอธิบายท่านท่านก็ไม่ละทิฏฐิเลยยืนยันหน้าเดียวภาษาลีบุตรถูกนักเลงดีไงภาษาลีบุตรเออถ้าถือว่าท่านถือว่าพระลหันตายแล้วศูนย์ท่านเห็นว่าขันห้าเป็นพระลหันหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านเห็นว่าขันอื่นเป็นพระลหันหรือไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนั้นทำไมท่านจึงไปยืนยันว่าพระระหันตายแล้วศูนย์ ให้ท่านหาพระหันในขั้นห้าดูสิเอาเรียบเรียบหาเดี๋ยวนี้ะ่ะเอาขั้นห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวาิญญาณเอาหาในธาตุดินเช่ก่อนหาในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเช่ก่อนหาพระหงานอ๋อลี่เลรน้อง ผมขนเล็บฟันหนังนเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามห้อยใจตับทางผื่ไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นธาตุดินเอามากรอว่านี่ธาตุเนี่ยหาพา ร, าหาาาระทหารด้ท่าน้ํานี่ดีเสล่นองเลือดเหงือมันข้นน้าตาเปรียวมันน้าลายน้ํามูกน้าไขข้อน้ํามูดเนี่ยอ๋อไม่เห็นเป็นแต่สารวัตรท่านน้าคือเป็นของเร็วหาพาระทหารในในลักษณะที่เป็นของร่อนซึ่งหรือวุ่น ไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กวนความาไฟที่พออาหารให้ย่อยนี่เอามากองไวนี่ไม่เห็นพระรหัสหาพระรหัสในธาตุลมสิลมมันขึ้นววงมลมบน ล, ล, ลมหายลมเลอะลมอ้วกลมหายเข้าลมหายออกลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวไม่เห็นมีแต่ธาตุลมหาพระัสในธาตุไฟก็ไม่เห็นหาพระรัสในธาตุดินก็ไม่เห็น หาพระรหัสน ė, ัธาตุน้ำก็ไม่เห็นพระหาพระรหัในัธาตุไฟก็ไม่เห็นหาพระรหัสนัยธาตุลมก็ไม่เห็นเห็นี้หาพระรหัสนัยนามาขันเถนามาขันนามังแปลว่าชื de, és, ช่อม SO e. ันเวทนาทุกทุกอเบวขาทุกเขาเวทนาทุกเขาเวทนาอเวขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนแล้วแต่ร้ายไม่เห็นซะแล้วเนี่ยหานี่พระรหัสนสัญญาสัญญาคือความจําจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําผลทพระจําธรรมารมเป็นแต่สักว่าความจำเสียแล้วไม่เห็น เกิดขึ้นแลปลโปรได้แตกสายหาพระธรรมในสังขารตรุงแต่งแห่งกิจท่าดีให้ชั่วก็เป็นแต่สักว่าสังขารสียแล้วหาพระธรรมในวิญญาณจักูวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูคณวิญญาณวิญญาณทางลิ้นชิ้วหาวิญญาณวิญญาณทางกาทางจมูกกายวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางกายก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณใช่แล้วไม่เห็นเห็นไหม เห็นพระทหารไหมในขันห้าไม่เห็นพระเจ้าข่าถ้าไม่เห็นเธอไปยืนยันว่าพระทหานตายแล้วสวยมันจะผิดไหมล่ะมันผิดพระเจ้าข่าถ้ามีผู้ถามเธอว่าพระทหารตายแล้วไปไหนเธอจะตอบยังไงก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เมีเิยังนั้นดับไปแล้วพระเจ้าข่าเออดีละดีละดีละนั่น <laughs> ลึกไหมล่ะทำสอนพระพุทธศาสนาะลึกซึ้งไหมล่ะนะพวกจะไปเห็นนรกเออผมไม่ต้องภาวนายาเราผมนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นนรกมาอย่างนั้นนรกก็คือทุกข์ไงนนในไตรโลกธาตุมันเป็นทุกข์เราพูดอย่างนี้ผมเห็นแล้วว่าอย่างนั้นเราพูดทุกข์เขาลนะ่ะพูดกับท่านเราดั้นที่แต่ว่าเราพูดขี้โกงก็ไม่ถูกมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น คณะคิดเดียวท่านผมเห็นนรกเว้นไว้แต่ไม่ต้องการนะสวรรค์ผมก็เห็นแล้วผมมายินดีในโลกทางปวงผมยินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวผมเห็นแล้วนะแล้วพอพูดอย่างนั้นแล้ตอบเพื่อน พ, พายเลยทีนี้บางท่านก็บอกว่าที่ภาษาดีบุตรนับเม็ดหินเม็ดทรายนับยังไงเราก็มีเคียกเติมพงเราก็นับได้เหมือนกันนับเม็ดหินเม็ดทายเราทำได้เหมือนกันแล้วนับแต่ปี เราไปอย e <ad rire> ู่ภ okay. ูเก็ตกับลพบุรีแล้วนับเป็นหินเม่ทรายได้ลมเราละเอียดเข้าไปก็เก๊กก็เก๊ก็เก๊กือเราไปตามออกมาเราไม่ปล่อยให้มันลงไปไม่ปล่อยให้มันเงียบไปให้มันเห็นอยู่นี้เวลาเราออกมาอยู่นี่เวลาเราเข้ามัอยู่เท่อนี้ก็ก๊กก็เก๊ก็เก๊กือเออพระสารีบุตท่านนับเมฆหินเมฆทรายท่านนับยังไงหนอเมื่อเวลาเรานึกเราก็เราก็เราก็ไม่ลืมมานนี่นี่เห็นพร้อมกันไม่มีในกว่อนในหลังนี่เออ มันนับไปยะกแต่เราก็มีกิเลสเต็มพุงอย่ทำไมเรารับได้นับได้เราก็นับได้สิเพราะนับด้วยทางปัญญาฝ่ายสังข้าโหฝ่ายสังขไนเอนับเวทดินเราก็นับได้เอะกะพัทวีธาตุนับหนึ่งหนึ่งดินเอะกะอาปกธาตุนับหนึ่งน้ำเอะกะวาโยธาตุนับหนึ่งลมเอกะวาเตโชธาตุนับหนึ่งไฟ ถ้าจะไปนับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ยผู้นับก็ผีบ้าผู้กรรมการก็ผีบ้ามันจะมากมเป็นกรรมการอยู่นี่มันกี่วันมันจริงจะหมดเราพูดอย่างนี้ทีนี้ทีนี้เราใครไปเล่าให้หลวงปู่เทศฟังหลวงปู่เทศก็หวัวเราะทีนี้ห <c oughs> ลวงปู่เทศว่าถูกในทางปรมัา่ารยะเขาไม่จริงก็เป็นอย่างนั้ น, น, ดดดด น, นอสอินับแดดเม็ดลมเม็ดฝนนับไม่ยากเนอเพราะสองข้อเขานับแดดก็นับเข้าในเตโยธาสิ หนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมมันก็หมดกันเท่านั้นแต่ว่าว่าผิดมันก็ไม่ถูกอถ้าหนึ่งสองสามจนถึงเอาสองข่ายผู้นับก็ผีบ้าเนี่ยกับผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้าเหมือนกันมันเกิดทันกินฤทอิ์นั่นแล้วนับเป็นไฟสังข์หัสีนั่นนับข้อวกับสมาธิเวลาเรานับอย่างนั้นสมาธิเราไม่เคยไม่ไม่ไม่ไม่ลืมเลยไม่ได้ฟุ้งซ่านไปนับแล้วจึงมาเห็นเห็นเพิ่มกันในลมหายใจเข้าออกแต่ลมหายใจ ออกเราไม่พุ่งออกไปลมหายใจเข้าเราไม่พุ่งมันนี่เอาไว้ที่หลาดลมก็แค่ก็แคก็แค่กนี้เราก็นับเลยพ้อมกันครับลมเลยเราเห็นไอ้จังทุกครั้งอานาตาเราก็เห็นพ้องกับลมหายใจเข้าออกทุกวันเนี่ยเราจึงยืนยันได้พอเรามันอยากว่าต้นลมมันกลายเป็นกลางลมแล้วพอเรามันอยาิกลางลมมันกายมันเป็นท้ายลมแล้วนั่นนั่นนมันเปิดขึ้นแบบควรและดับไปหาระหว่างไม่ได้ก็เกิดขึ้นแบบควรและดับไปก็หาระหว่างไม่ได้ทําที่ไม่เกิดไม่ดับก็หาระหว่างไม่ได้ าจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงทำทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีตาวั น, นคืนพระบรมศาสด า, าสอนให้รู้ตามเป็นจริงเพื่อจะสิ้นความสงสัยของตนตามเป็นจริงเพื่อจะชนะความหลงของตนตามเป็นจริงแม่ด้หวังว่าจะเอาสิ่งนั้นไปพเนด้วย น, นถูกไหมถ้าไม่ถูกก็คงเห็นให้ถูก <laughs> มันก็ <laughs> ถ้ามาเล่นทางปัญญาไม่ไหวเอะ ปัญญาจะปฏิสูตคติบุคคลจะบริสูตกัเพราะปัญญาบุคคลจะไม่ถือมันก็บพระปัญญาปัญญาโลคัสมิปัโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนักเพราะว่ารมหาจารยปัญญาถ้ามันแก่มามันก็กลายเป็นญาณเหมือนกันญาณกับปัญญาคืออะไรก็ญาณก็ออกไปจากปัญญานั่นเองญาณใ น, นมุตคืออะไรคือรุ้พ้นจากกงังเสยสงสัยของเจ้าของก็เรียกว่าญาณใ น, นมุตไปแต่ละชั้นละชั้นพระสดอดามานเป็นญาณใ น, นมุตเหมือนกัน ก็รุดพ้นไปเป็นเอกเทศท่าคาคามีอาณาคามีอหร ห, อหันต์กรรมกันน่ะพระอรหันต์เป็นญาณในมุตโดยเส้นเชิงน่ะทำไมยิงบัญญัติมากก็พระมันไม่พอใช้ท่านก็บัญญัติสิ่งไหนที่ถูกบัญญัติสิ่งนั้นก็ถูกลบสิ่งไหนที่ถูกเขียนสิ่งนั้นก็ถูกลบทาไมลบก็ไม่มีที่เขียนกระดานนําอันเดียวนั่นลบเป็นฝ่ายเขียนเป็นฝ่ายสมมุติ ลบเป็นฝ่ายปนามัตอ๋อมันลบมันเองมันเช่เกิดแก่เก็บตายนี่เราไม่ได้ทำให้มันเกิดเราไม่ทําให้มันแก่ไม่เก็มันตายมันทําเองมันหนักเรารู้ตามเป็นจริงซะนะหนักเช่นความเปือยความเน่าอย่างนี้มันก็ไม่ลงธรรมาใช่ไหมหนักเราพูดอย่างนี้มันไม่พูดด้วยความเปื่อยความเน่าก็เต็มท่อเขาบอกเราอยู่นี่ธาตุดินอย่างนี้ก็เหมือนกันธาตุเน่าอย่างนี้ก็เหมือนกันไม่ลงธรรมะเลยทําแต่ละวันละบาทเราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่จระสินความสงสัยตามเป็นจริงหรือไม่อันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งนั่น เพราะเราไปหลงเขาไม่ใช่เขามาหลงเราเราไปบัญญัติแล้วก็หลงบัญญตัติต้นบัญญัติก็คือใจใจบัญญตัติตนเองบัญญัติว่าตาหูจมูกกลิน่นกายบัญญตัติเออท่านมาบัญญัติข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าจะขอบพระคุณมากเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดเองเหมือนกันนั่งข้าใกล้าจะต อ, ตอบแทนคุณท่านละมาไหนว่ามันก็มาไหนว่าท่านข้าพเจ้าจะใส่ชื่อหรือนามให้ท่านว่าใจเนอ้อ เขก็ไม่ได้ว่าทีนี้ใจก็เอาโขนสวมหัวตัวเองไว้ใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนะ <g ay> ใจมีคุณเป็นมหันเมีโทษเป็นอนันต์ถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงธรรมถ้าหลงใจตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้นถ้ารู้ใจตอนไหนก็รู้ธรรมตอนนั้นถ้ารู้ใจตอนสมมุติก็รู้ธรรมตอนสมมุติถ้ารู้ใจตอนใน ม, มุติก็รู้ธรรมตอนใน ม, มุติก็รู้จิตตอนใน ม, มุตินะ นับรับถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจะบัญญัติทําได้พระบรมศาสนะถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถจะบัญญัติท่านทำได้เหตุฉะนั้นเราจึงเขารบธรรมถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจะรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนแล้วพุ๊บเพสชุปุ๊พุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาบัญญัติทำมันเดียวกันไม่ได้ลบนะเล้าคอร์บอกรันเพราะมันเป็นธรร ม, มาธิปไตยพอแล้วนะ่ะไม่เหมือนกวดหมูหมูควัดพักคด พ, พวกของเราแต่งอยู่ทุกปีหาเงินจะแต่งก็ไม่ไหวละนี่ พวกเรามันไม่บริบูรณ์พระพุทธศาสนาบริบูรณ์แล้วนะทำคาสอนพระพุทธศาสนาการวางบทกฎหมายไม่มองดูพุทธศาสนาไปไม่รอดเน้อสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นของสำคัญเน้อนะแต่ว่าไม่บอกเน้อผู้ยินดีในพระ涅ปานคณะความยินดีทั้งปวงเป็นห่วงบุธธตรทิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรม ทำไมจึงยินดีในปฏิบัติก็พระเขาเห็นสังขารเต็มภูมิแล้วภาพพจน์ของสังขารมีอะไรบ้างก็มีแต่เกิดขึ้นและแปลปวนและแต่สลายกับทุกเท่านั้นภาพพจน์ของสังขารจะมีมากน้อยสักเพียงใหนก็เท่านั้นะสภพวโลกทั้งปวงรวมลวงมาในสังขารโลกสังขาราปัณมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอียวกัน